วันนี้เป็นวันพระรหัสที่ยี่สิบ็กรกฎาคมพุทธศักราชสอง5ันห้าหกสิบห้าตรงกับวันแรมแปดค่ำเดือนแปดพีขานเป็นวันพระเป็นวันมงคลเพราะว่ามีการกระทา ที่เป็นมงคลเช่อนอเสวนาจะบาลานังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะบูชนิยานังเอตมมังคารมุตมตังแปลว่า mm hmm. หนึ่งการไม่คบคนโง่สองการคบบันดิตสามการบูชา บุคคลที่พึงต่อการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตมงคลก็คือความสุขความเจริญชีวิตก็คือจิตใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นของที่ไม่มีความสำคัญเท่ากับจิตใจ ความสุขความเจริญของจิตใจนี้เป็นความสุขความเจริญที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงศาสนาจึงมุ่งไปที่ความสุขความเจริญของจิตใจจิตใจจะสุขจะเจริญหรือจะเสื่อมหรือจะทุกข์นี้ขึ้นอยู่กับ ความรู้ของจิตใจของแต่ละดวงดังนั้นการที่จะทำให้จิตใจนั้นมีความสุขความเจริญปราศ จ, จากความทุกข์ความเสื่อมจำเป็นต้องเข้าหาผู้รู้เรื่องของจิตใจผู้รู้ที่รู้เรื่องของจิตใจทางาศาสนาเรียกว่าบัณฑิต ผู้ที่ไม่รู้เรื่องของจิตใจเรียกว่าคนผ่านหรือคนโง่กพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเรามีแต่ความสุขความเจริญเราจำเป็นที่จะต้องเข้าหาผู้รู้เรื่องของจิตใจผู้รู้วิธีเสริมสร้างพัฒนาจิตใจ ให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความเจริญสูงขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงให้มีความเสื่อมน้อยลงนั่นเองและบุคคลที่มีความรู้เรื่องของจิตใจนี้มีมีใครจะรู้ได้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารุก ข, ของพระพุทธเจ้า พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายอย่างนั้นการเข้าหาบัณฑิตนี้จึงเป็นมงคลอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงกําหนดวันพระเพื่อให้ศรัทธาญาติโยชาวพุทธทั้งหลายได้มีเวลาเข้าหาบัณฑิตกันนั่นเอง มาวัดแล้วเราก็จะได้มาพบกับบัณฑิตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถ้าไม่ได้เจอกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเนื่องจากพระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปแล้วแต่เราก็มีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือพระธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงไว้ในขณะ ที่มีชีวิตอยู่จะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าดังที่พระพุทธเจ้าได้เคยตัดไว้ว่าถึงแม้เราจะจากพวกเธอไปแล้วก็ตามแต่เรานั้นพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาเพราะพระธรรมคาสอนที่เราตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนพวกเธอต่อไป จะเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นผู้สอนให้เธอรู้จักผิดถูกดีชั่วต่างๆดังนั้นเวลาเรามาวัดเรามักจะได้ยินได้ฟังธรรมกันอันนี้แหละก็คือการเข้าหาผู้รู้เข้าหาผู้บัณฑิตผู้ชวบาและก็นอกจากพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ที่มีการเอามาอ่านเอามาเทศให้ฟังแล้วก็ยังมีพระสุปฏิปันโนทั้งหลายพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ได้เข้าถึงความรู้ของเรื่องจิตใจอย่างแจ่มแจ้งและสามารถนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ไม่รู้ต่อไปได้ นี่คือความมงคลการได้คบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งในทางตรงกันข้ามการไม่คบคนง่ก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปคบคนง่คนไม่รู้เรื่องความสุขความเจริญของจิตใจว่าเกิดจากอะไรความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจเกิดจากอะไร ก็มักจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเพราะใจของคนโง่นั้นเป็นใจที่มืดบอดมองไม่รู้ว่าจิตใจจะสุขจะเจริญได้อย่างไรจิตใจจะทุกข์จะเสื่อมได้อย่างไรและถูกอำนาจของไฟต่ำคือกิเลสตัณหาเป็นผู้คอยฉุดลากให้ไปทำในสิ่งที่จะทำให้จิต เกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมแก่จิตใจนั่นเองดังนั้นการที่ไม่ได้คบกับคนง่อคบกับคนพาล น, นี้ก็ถือว่าเป็นมงคลอีกอย่างหนึ่งพอจะได้ไม่ถูกดึงไปในทางที่ผิดที่เสียหายนั่นเองดังนั้นเราต้องรู้จักคบคนถ้าคนไม่รู้เรื่องความสุขความทุกข์ของจิตใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร น, นี้เราก็ไม่ควรที่จะไปคบกับเขาควรครบกับคนที่รู้เรื่องของจิตใจเรื่องที่จะทำให้จิตใจเจริญหรือเสี่ยงสุขหรือทุกข์ก็ต้องเข้าหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาเข้าศึกษาพระธรรมคำสอนเช่นมงคลรับสูตรมงคลสามสิบแปดข้อด้วยกัน วิธีการปฏิบัติที่จะยกจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับที่มีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นและดึงจิตใจให้ออกจากความทุกข์จากความเสื่อมต่างๆของจิตใจบุคคลที่ฉลาดนี้จะมีความรู้อยู่เจ็ดประการด้วยกันที่จะนำมา สอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ไม่ต้องรู้อะไรมากในพุทธศาสนานี่ถ้ารู้เพียงเจดประการนี้ก็จะสามารถทาตัวเองให้วิเศษขึ้นมาได้ให้ประเสริฐให้เป็นบุคคลที่มีแต่ความสุขความจเจริญโดยถ่ายเดียวได้ความรู้ที่บัณฑิตจะมอบให้กับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นบัณฑิต นั่นมีอะไรบ้างก็ที่หนึ่งคือการรู้เหตุสองการรู้ผลสามการรู้ตนสี่การรู้บุคคลห้าการรู้สังคมหกการรู้กาลเทศะและเจ็ดการรู้ประมาณ การรู้สิ่งทั้งหลายเจ็ดสิ่งนี้ถ้ารู้ได้แล้วก็ น, นำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นป้องกันความเสื่อมของจิตใจไม่ให้ลงต่ำไม่ให้มีความทุกข์มากขึ้น ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะพบกับความเป็นสิริมงคลต่างๆของชีวิตจิตใจเราต้องศึกษาเรื่องของความรู้ทั้งเจตดชนิดนี้เพื่อที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วความเป็นสิริมงคลต่างๆก็จะปรากฏให้แก่จิตใจของเรา ใจิตใจของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นจะเจริญสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอรหันต์พระนิพพาน <Yes. S 1> เกิดจากการมีความรู้เจ็ดข้อนี้เท่านั้นเองความรู้ข้อที่หนึ่งคือการรู้เหตุการรู้เหตุกอให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุ ที่ทําให้จิตใจเราสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นนั่นเองเหตุที่จะทําให้จิตใจเรามีความสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็คือการกระทําของใจและกายและวาจานี้เอ <worth> การกระทําของใจนี่แหละเป็นตัวสําคัญที่สุดส่วนการกระทําทางกายทางวาจานี้ เป็นเพียงผู้รับคำสั่งจากการกระทำของใจคือความคิดของใจนี้ถ้าใจคิดที่จะทำดีก็จะสั่งให้พูดดีทำดีถ้าใจคิดจะทำชั่วก็จะสั่งให้พูดชั่วทำชั่วนั่นเองแล้วผลที่เกิดจากการคิดดีกับคิดไม่ดีมันก็มีผลแตกต่างกัน คิดดีแล้วก็สั่งให้พูดดีทําดีผลก็คือความสุขใจก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จิตใจก็จะสรุปก็จะสูงขึ้นตามลําดับในทางตรงกันข้ามถ้าคิดไม่ดีก็จะสั่งให้พูดไม่ดีทําไม่ดีพอคิดไม่ดีพอพูดไม่ดีทําไม่ดี คิดไม่ดีผลก็คือความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นความเสื่อมของจิตใจก็เกิดขึ้นตามลําดับ<ม><ม>การเจริญของจิตใจนั้นคือย ก, กระดับจิตใจให้เป็นสถานภาพต่างกันตอนนี้จิตใจของพวกเราเป็นมนุษย์กันแต่ถ้าเราคิดดีพูดดีทําดี จิตใจเราจะสูงขึ้นขึ้นไปสู่ระดับเทพระดับพรหมระดับพระอริยบุคคลตามลำดับในทางตรงกันข้ามถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็จะฉุดจิตใจให้เราลงต่ำอยากมนุษย์ก็จะไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุลกายเป็นนรกตามกำลังของการ คิดพูดและทำไม่ดีต่างๆนั่นเองนี่คือการรู้เหตุว่าเหตุที่จะพาให้เราขึ้นสูงหรือลงต่ำเหตุที่จะทำให้เราสุขหรือทุกข์นั้นอยู่ที่การคิดของจิตใจนี้เท่านั้นเองการกระทาของจิตใจไม่ได้อยู่ที่การมีราบยศสรรเสริญ หรือความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมากน้อยเพียงไหรหรือการเสื่อมของนาบยศสารเสริญสุขความสุขความเจริญแบบนี้เป็นความสุขความเจริญชั่วคราวที่เปรียบเหมือนกับความสุขความเจริญปลอมไม่มีผลกระทบต่อทางจิตใจหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ความสุขความเจริญหรือความเสื่อมทางราบยศสารเสริญสุขก็หมดสิ้นไปไม่มีผลอะไรต่อสภาพของจิตใจสิจ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาพของจิตใจที่จะยกระดับหรือลดระดับของจิตใจให้ขึ้นสูงหรือลงต่ำนี้ที่จะทำให้เป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี้ อยู่ที่การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจโดยมีใจเป็นผู้สั่งการร่างกายคือการพูดการกระทำทางร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้ร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลของการกระทำที่เกิดจากการสั่งของใจใจจะต้องเป็นผู้รับผล อันนี้ก็นำมาสู่ข้อที่สองคือการรู้ผลว่าจิตใจของเราเนี่จะสูงจะต่ำจะดีจะชั่วนี่จะสุขจะทุกข์นี่เป็นวิบากของการกระทำทางกายทางวาจาและใจการกระทำทางกายวาจาใจเราเรียกว่ากรรมผลที่เกิดจากการกระทำทางกายทางวาจา เราเรียกว่าวิบากกรรมผลผลที่เกิดจากการกระทำและผลที่เกิดจากการกระทานี้เกิดที่จิตใจเพียงอย่างเดียวไม่ได้เกิดที่ร่างกายและสิ่งต่างๆที่ร่างกายหามาได้คือราบยศสรรเสริอสุขเพราะว่าผลที่เกิดจากทางร่างกายเกิดจากราบยศสรรเสริอสุขนี้ เกิดได้ทั้งการทำดีหรือทำชั่วคนเราจะร่ำรวยด้วยการทำชั่วก็มีคนเราจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาด้วยการกทำชั่วก็มีคนที่ทำความดีไม่ล่ำ ไ, ไม่รวยก็มีคนที่ทำความดีไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็มีเยอะแยะไป ดังนั้นขอให้รู้ว่าวิบากของกรรมนี้ไม่ได้อยู่ที่ลาบยศเสริญสุขไม่ได้อยู่ที่ร่างกายว่าจะสุขหรือจะทุกข์เนือถ้ามีก็มีเป็นผลพลอยได้คือไม่ไม่ได้เป็นผลหลักขอให้เข้าใจว่าเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้ชี้ไปที่ความเจริญความเสื่อม ความสุขความทุกข์ของจิตใจเป็นหลัก 90% อนี้อยเนีอยู่ที่เรื่องของใจแต่อาจจะมีผลกระทบบ้างผลข้างเคียงที่เกิดจากการเจริญหรือเสื่อมทางรางยกยศสารเสริญสุขหรือการเจริญหรือเสื่อมของทางร่างกายได้บ้างแต่ไม่มีผลมากนะักเพราะว่าผลหลัก ของร่างกายนี้เหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วจะรวยหรือจะจนจะเป็นใหญ่เป็นโตหรือเป็นเล็กเป็นน้อยผลก็คือแก่เจ็บตายเหมือนกันทังร่างกายเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนใจกับเรื่องของร่างกายให้มากจนเกินไปอย่าไปคิดว่าเราทำ ดีแล้วร่างกายเราจะต้องมีอายุยืนยาวนานสุขภาพแข็งแรงปราจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็อาจจะมีส่วนบ้างแต่บางทีก็ไม่มีส่วนอาจจะไม่มีผลเลยก็ได้ฉะนั้นถ้าเราไปมองผลที่เกิดจากาที่ร่างกายเกิดจากการเจริญลรือเสื่อมของลาบยศส ะ, ะสรสนิสุ มันก็จะทําให้เราไข้เข้ได้เพราะเราจะอาจจะทําแต่ความดีแต่ร่างกายเราก็อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะมีความสูญเสียทางราบยศสารเสริญสุขได้ไม่เจริญทางราบยศสารเสริญสุขเลยทําดีเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอยู่ที่เดิมทำหากินด้วยความซื่อสัต์สุจริต ก็ไม่ร่ดรวยเสถ่ถีอันนี้ไม่ได้เป็นผลของของการกระทาคือเหตุทางที่ทำด้วยกายวาจาใจเราต้องรู้จักผลรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นผลอะไรไม่เป็นผลผลของกรรมผลของการกระทาทางกายทางวาจาที่เป็นเหตุนี่ก็คือการสุข การเจริญของใจหรือการทุกข์การเสื่อมของใจใจสุขมากขึ้นก็เพิ่มก็ขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาเทวดานี้จะมีความสุขมากกว่ามนุษย์แล้วก็สูงกว่ามนุษย์แต่สูงกว่าเทวดาก็มีพวกพรหมพวกพรหมนี้ก็จะมีความสุขมากกว่าเทวดาสูงกว่าเทวดาแล้วสูงกว่าเทวดาก็มีพวก อริยบุคคลทั้งหลายพระโสดาบันพระสกิฎรคามีพระอนาคามีพระอรหันต์บุคคลเหล่านี้ท่านมีความความสุขมากกว่ามีความสุขที่สูงสุดตามลำดับขึ้นไปพระโสดาบันก็มีความสุขน้อยกว่าพระสกิดาคาพระสกิฎาคาก็ยังมีความสุขน้อยกว่าพระอนาคามี พระนาคาก็มีความสุขน้อยกว่าพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์นี้อยู่ระดับระดับเดียวกันพระพุทธเจ้าก็คือพระอรหันต์เหมือนกันหลังที่เราเรียกพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันต์นี้มีสองแบบพระอรหันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นพระอรหันต์ด้วยการสอนตนเองส่วน พระอารหันตตัสสาวกเป็นพระอารหันต์ด้วยการศึกษาจากพระอารหันตดสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทีแต่ก็เป็นพระอารหันต์เท่ากันมีความสุขร้อยเปอร์เซ็นเท่ากันเป็นพระอารหันต์เหมือนกันต่างกันวิธีการมาเป็นพระอารหันต์มาเป็นได้อย่างไรถ้าไม่มีใครสอนเลยคนคว้าหาทางเพื่อให้ไปถึง การเป็นพระอรหันได้ด้วยตนเองええก็จะเรียกตนเองว่าเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าส่วนผู้ที่ได้เรียนรู้จากพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าหรือจากพระอารหัน ร, รูปอื่นก็จะเรียกตนเองว่าเป็นพระอารหรันตสาวกแต่ความสุขของการเป็นพระอารหรนันนี้เท่ากัน ความสุขของพระพุทธเจ้ากับความสุขของพระเราหลังตสาวกนี้มีเท่ากันเต็มร้อยเต็มหัวใจเท่ากันส่วนระดับอื่นนี่ยังไม่เต็มร้อยอนาคามียังไม่เต็มร้อยสกิดาคาโสดาบันนี้ยังไม่เต็มร้อยยังต้องพัฒนาต่อไปยังต้องปฏิบัติอีกอยากโสดาบันก็ต้องปฏิบัติให้ขึ้นเป็นสกิรดาคาอยากสันิกาคาก็ต้องปฏิบัติต่อให้ถึงอนาคา ถึงอนาคาคแล้วก็ยังต้องปฏิบัติต่อจนถึงอรหันต์แล้วถึงจะยุติการปฏิบัติได้เพราะได้สร้างความสุขความเจริญถึงขีดถึงขีดสูงสุดแล้วนี่คือการรู้เหตุรู้กรรมรู้ผลรู้เหตุก็คือรู้กฎแห่งกรรมรู้ผลก็รู้วิบากกรรมว่าจะเกิดขึ้นกับจิตใจเป็นหลัก ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นกับลาบยศสนอเสรนสุขกับร่างกายนี้มันไม่บางบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำความดีหรือการทำความชั่อคนทำาชั่วได้ดบได้ดีก็มีถมไปอย่างที่มีคนมักจะพูดกันว่าทำดีไม่ได้ดีทำาชั่วได้ดีมีถมไปเพราะเขาไปดูผลที่ การเจริญทางลาบยศสารเสริญสุข ด, ดูการเจริญทางร่างกายซึ่งคนชั่วอาจจะมีอายุยืนยาวนานก็มีคนดีมีอายุสั้นก็มีเพราะเรื่องการตายของร่างกายนี้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนอันนี้จังขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายด้านด้วยกันที่มาคอท็อกับร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเชื้อโรคต่างๆมีอุบต อุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆมันก็เลยทำให้ร่างกายของคนชั่วบางทีก็กลับมีอายุยืนยาวนานกว่าร่างกายของคนดีเช่นพระพุทธเจ้าน่าจะอยู่ไปได้ถึงร้อยยี่สิบสอง้อยปีแต่ก็อยู่ได้เพียงแปดสิบปีเท่านั้นเองเพราะเหตุปัจจัยทางด้านร่างกายนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำความดีความชั่วเห็น ถ้าเราเข้าใจรรู้สองอย่างนี้รู้เรื่องเหตุรู้เรื่องผลแล้วเราจะได้ <c oughs> ไม่ยอดท้อไม่ไข้เขวในเรื่องของการทำความดีในเรื่องของการละการกระทำความชั่วเพราะเราทำให้แก่จิตใจของเราที่เป็นของที่ถาวรที่จะอยู่ต่อไปหลังจากที่ลาบยศสรเสริญสุขได้หมดไปแล้วหลังจากที่ร่างกายได้ได้หมดไปแล้ว สิ่งที่จะอยู่ต่อไปก็คือจิตใจที่จะดีหรือที่จะสูงหรือจะต่ำที่เกิดจากการทำดีหรือทำชั่วนั่นเองถ้าเราจะเรียนลาบยศ ส, สรเสสนสุขด้วยการทำความชั่วในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ล่ะ จ, จะมีความสุขกับลาบยศสารเสริญสุขแต่ใจของเรานี้มันไม่ได้สุขตามมันจะทุกข์และมันจะลงต่ำ ทำความเชื่อมันจะกฎแห่งกรรมมันบอกทันทีว่าจะต้องลงสู่อบายลงมากลงน้อยลงเร็วลงช้าก็อยู่ที่การกระทำความชื่อ ว, ว่าทามากทาน้อยนั่นเองนี่คือเรื่องของบัณฑิตบัณฑิตนี้จะต้องรู้เรื่องของความจริงเจ็ดประการนี่ความจริงข้อที่หนึ่งก็คือรู้เหตุคือรู้เรื่องของกฎแห่งกรรม ทำดีได้ดีทำชั่วได้เชื่อเหตุที่จะทำให้ทำดีทำเชื่อก็คือกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมนโนกรรมก็คือการกระทำทางใจที่เป็นหัวหน้าถ้าใจไม่สั่งการกระทำทางกายวาจาจะทำไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับที่มีคาพูดว่าถ้าหัวไม่สส่หางจะไม่กระเดกหางนี้ต้องรอให้หัวส่สั่งก่อน การพูดการกระทาต่างๆนี้ต้องรอให้ใจสั่งก่อนเช่นใจสั่งให้วันนี้มาวัดกันพอสั่งแล้วก็เลยนั่งกายก็เลยทาตามคาสั่งออกเดินทางมาวัดกันถ้าใจสั่งไม่ให้มาก็จะไม่ได้มาถ้าใจสั่งให้ไปทาธุระที่อื่นเช่นวันนี้คนส่วนใหญ่นี่ต้องทางานทาการกันเพราะไม่ได้เป็นวันหยุดทำงาน ก็ใจก็เลยต้องสั่งให้ไปทำงานกันแต่คนที่ไม่ต้องไปทำงานอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวหรืออาจจะอยู่ในช่วงพักหยุดพักพักร้อนหรือพักอะไรก็ตามก็มีเวลาว่างก็เลยคิดว่าคิดว่าคำว่าคิดก็คือมโนกรรมนะคิดว่าวันนี้ว่างเรามาทำบุญที่วัดกันดีกว่ามาเสริมบุญบรารมีมาเสริมมงคลให้แก่ชีวิตจิตใจ ก็เลยมากันมาเพราะว่ามีมนกกรรมเป็นผ ja ู้สั่งการใจร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้รับคํำสั่งพอใจบอกให้ออกเดินทางก็ออกเดินทางพอใจบอกให้ชวนเพื่อนให้ชวนญาติสนิทมิตรสหายใครที่ว่างให้มาก็ชวนกันมาแล้วก็พากันมามาแล้วก็จะได้มาพบคบกับบัณฑิต ถ้าฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ปัญญาได้ความรู้รู้ที่จะยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับป้องกันการเสื่อมการลดระดับของจิตใจไม่ให้ลงต่ำอีกต่อไปถ้ามีความรู้ในเรื่องสองเรื่องนี้รับประกันแล้วว่าตายไปกี่ภพกี่ชาติก็จะไม่มีไปการไปเกิดในอบายอย่างแน่นอน พอ ร, รู้แล้วว่าการไปเกิดในอบายนั้นเกิดจากอะไรก็เกิดจากการกระทาความไม่ดีนั่นเองความไม่ดีที่พูะเจ้าทรงสอนก็มีอยู่สี่ข้อใหญ่ๆคือหนึ่งการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานก็ต่างฆ่าก็ถือว่าเป็นบาปทั้งนั้น แม้การฆ่าตัวเองก็ถือว่าเป็น ก, รนการกระทําบาปเป็นการลดระดับของจิตใจให้ลงต่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจไม่ได้เป็นการปลดทุกข์คนที่มีความทุกข์มากๆคิดว่าการฆ่าตัวตายแล้วจะทำให้ความทุกข์หมดไปอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดเรียกว่าเป็นคนพาลคนโง่คนไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมว่าเป็นอย่างไรดนั้น ถ้ามีความทุกข์มากอยากคิดฆ่าตัวตายเพราะจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเพิ่มมากขึ้นและจะลดระดับของใจซึ่งตอนนี้สมมติเป็นมนุษย์อยู่พอฆ่าตัวตายนี้มันจะลดระดับของใจให้ลงไปสู่นรกเลย mm hmm. ถ้าไม่อยากจะตกนรกอยากฆ่าตัวตายทนอยู่กับความทุกข์ไปเถิดมันไม่มากมายสาหัสหรอกถ้าเราได้ศึกษาวิธีปฏิบัติกับความทุกข์ต่างๆแล้ว เราจะสามารถอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีก็ถึงเวลาแล้วที่เราควรที่จะมาศึกษาวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าสูงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันซึ่งถือว่าเป็นเป็นการกระทําที่ดีทั้งนั้นเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้ไกลจากความทุกข์ให้ความทุกข์น้อยออกน้อยไปน้อยจากไปจิตใจ ต้องต้องเข้าหาบัณฑิตเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องของความรู้สําคัญเจดข้อความรู้สําคัญที่สําคัญที่สุดก็สองข้อแรกนี่แหละคือการรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าการกระทําของเรานี้ทางทำดีจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นจะสร้างความสุขให้เกิดจิตใจมากขึ้น ทำชั่วก็จะทําให้ความทุกข์จิตใจมากขึ้นลดระดับของจิตใจให้ต่ําลงเนีถ้ารู้แค่นี้รับประกรันได้ว่าตายไปกี่ภพกี่ชาตินี้จะไม่ไปตกนรกไม่ไปเกิดเป็นเรือฉ า, าไม่ไปเกิดนัยบายอีกต่อไปคือรู้กฎแห่งกรรมรู้ว่าการกระทําบาปนี้เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้โดยเด็ดขาดเนี ยอมอดตายดีกว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อนาเขามาเป็นอาหารเช่นเราอดอไม่มีอาหารรับประทานอย่าไปยิงนกตกปลาห อ, อาหารแบบที่ไม่เป็นบาปได้หาผักหาข้าวหาอะไรมากินได้หรือถ้าไปเจอปลาตายแล้วก็เอามากินได้แต่อย่าไปฆ่าเขาเพื่อเอาเขามาเป็นอาหารคิดถึงตัวเราว่าถ้าเรามีคนเขาเอาเราไปเป็นอาหารบ้างเราจะคิดยังไง สัตว์ทุกชนิดเขามีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเรานะถึงแม้ร่างกายเขาจะไม่เหมือนเราถึงแม่ระดับสติปัญญาเขาจะต่ำกว่าเราก็ตามถึงแม่ระดับจิตของเขาจะต่ำกว่าเราแต่ความรักตัวกลัวตายความทุกข์ที่เกิดจากความสูญเสียร่างกายของตอนไปนี้เหมือนกันหมดทุกคนถ้าเรารักเราห่วงร่างกายเราไม่ต้องการให้ร่างกายเราถูกทาร้าย เราก็อยากไปทำ้ายร่างกายของผู้นั้นยันถ้าเราอดยาขาดแคลนจริงๆไปเป็นขอทานก็ก็ไม่เสียหายตรงไหนทุกวันนี้เวลาบิณฑบาตเสร็จมีคนยากจนที่เขาไม่มีรายได้เขาไม่มีอาหารเขาก็มารอรับอาหารที่พระได้รับจากญาติอยู่ที่มีเหลือเป็นส่วนเกินพระก็เก็บไว้เท่าที่ท่านจะฉันได้แค่มื้อเดียวเท่านั้นเอง ส่วนที่เหลือท่านการอนุญาตให้ทีมงานช่วยเอาไปแจกจ่ายทุกวันจะมีคนมารอเท่าแถวมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่เด็กก่อนจะไปโรงเรียนก็มารอรับอาหารที่ปลายแถวของพระอันนี้เป็นขอทานแบบนี้ไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องเสื่อมเสียศักดิ์ศรีแต่อย่างใดเพราะพระเองก็เป็นขอทานเหมือนกันเนี่ยทุกเช้าที่ออกบินฑบาตนี้ คำว่าบินทบาทมันเป็นคำโกหหรือแต่ความจริงมันก็ขอทานดีๆนี่ไปขออาหารจากชาวบ้านต่างตรงที่ว่าไม่ไปขอด้วยการการพูดด้วยวาจาว่าขออาหารหน่อยค่ะขออาหารหน่อยครับนี่คือไม่ไปรบกวนเขาถ้าเขามีเมตตาสงสารถ้าเขาอยากจะทำบุญก็ปล่อยให้เขามารอแล้วก็ให้ สแสดงอาการว่าต้องการที่จะให้อาหารเราก็รับจากเขาไปแต่ถ้าเขาไม่ออกมาไม่ถืออาหารเราก็ไม่ไปเคาะประตูเรียกเขาไปบรบกวนเขาปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของศรัทธาเป็นเรื่องของอัตยาศัยพระจึงไม่ได้ถือว่าเป็นขอทานในในลักษณะนี้โดยไม่ไปขอแต่ไปรับไปรับของจากผู้ที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะให้อยากจะช่วยเหลือ อยากจะแผ่เมตตาก็รับจากผู้นั้นไปแต่จะไม่ไปเคาะประตูเรียกเขาว่าขอข้าวหน่อยนะขอน้าหน่อยขอเงินหน่อยอะไรต่างๆเหล่านี้การขอนี้พระพุทธเจ้าห้ามนะห้ามพระห้ามขอจากบุคคลที่ไม่รู้จักบุคคลที่ไม่ใช่เป็นญาติแต่อนุญาตให้ขอจากญาติได้ขอจากพ่อจากแม่จากพี่น้องได้ หรือขอจากคนที่แสดงตนไว้ล่วงหน้าก่อนปวารณาตัวไว้ก่อนว่าข้าพระเจ้ายินดีที่จะให้ของที่ท่านต้องการหากท่านต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็โปรดบอกข้าพเจ้าเถิดถ้าอย่างนี้ก็ไปขอเขาได้นอกจากนั้นแล้วห้ามขอโดยเด็ดขาดเจอใครที่ไหนอยู่ดีๆว่าขอค่ารถหน่อย ขอค่านู่นค่านี้หน่อยขอเงินไปสร้างศาลาขอเงินไปสร้างกุฏินี้ขอไม่ได้แต่บอกบุญได้ประกาศได้ว่าทางวัดขาดแคลนค่าน้าค่าไฟบอกได้แต่ไม่ให้เอาบาดไปยื่นต่อหน้าคนที่นั่งอยู่ขาดน้ำค่าไฟไม่ได้เพียงแต่บอกบุญได้ว่าทางวัดขาดแคลนอะไร อันนี้โบดล้วต้องการซ่อมแซมเงินค่าซ่อมแซมมีไม่พออะไรทำนองนี้พูดได้เท่านั้นเองเรียกว่าบอกบุญแล้วก็ห้ามแจกซองด้วยนะแจกซองก็เป็นเหมือนการขอโดยอัตโนมัติขอด้วยซองนะแต่บอกบุญได้ประกาศได้ว่าทางวัดขาดแคลนอะไรคนที่ได้ยินได้ฟังเขาก็จะได้ไม่รู้สึกว่าถูกกดดันให้ถูกบังคับ ให้ทำถ้าเขาไม่มีบางทีเขาก็รู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่ได้ไปขอเขาโดยตรงนี้เขาก็จะไม่รู้สึกรู้สึกเสียใจไม่สบายใจที่เวลามีใครมาขออะไรแล้วเราไม่สามารถให้เขาได้แต่การบอกนี้ไม่ได้เป็นการขอบอกให้เป็นกลางๆบอกให้ทราบเท่านั้นเองว่าขาดแคลนอะไร ถ้าใครมีจิตเมตตาอยากจะสงเคราะห์ก็ทําได้ถ้าไม่มีกําลังก็ไม่เป็นไรอยู่ไปตามมีตามเกิดได้นี่คือคําว่าบิณฑบาตการขอทานย้นกลับมาที่การฆ่าสัตว์ที่ไม่ให้ฆ่าสัตว์เพราะว่าถ้าเราอดอยากขาดแคลนก็ไปฆ่าไปข อ, ปขอเป็นไ ป, ไปเป็นขอทานไม่เป็นบาศจะไม่ทําให้เราตก ไปในอบายแต่ถ้าเราไปฆ่าสัตว์นี่จะทำให้เราตกไปในอบายอย่างน้อยก็ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าฆ่าเพื่ออยู่เพื่อกินก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่เขาอยู่กันสัตว์เดรัจฉานเขาก็ต้องฆ่าเพื่ออยู่เพื่อกินของของชีวิตของเขาถ้าเราเป็นมนุษย์แต่เราไปทำแบบเดียวกับสัตว์เดรัจฉานจิตใจของเราก็เริ่มกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปทันที นี่คืออย่างอยถ้ารู้เหตุว่าการทำบาปจะดึงให้เราไปอบายเราอย่าทำบาปอย่าฆ่าสัตว์อยา่ า, ยาลักทรัพย์ถ้าไม่มีเงินซื้อข้าวก็ไปขอไปขอทานไปนั่งขอทานที่ไหนก็ได้หรือถ้าที่ไหนมีการแจกทานก็ไปรับทานเพราะมีคนที่เขามีจิตเมตตาคนที่เขามีฐานะที่เขาอยากจะทำบุญทาทานเขาก็มักจะมีการโปรยทานแจกทานอยู่ตามที่ตา่ตางๆ เราก็ไปคอยสังเกตดูที่ไหนมีการแจกทานเราก็ไปที่นั่นอย่าไปลักขโมยของคนอื่นเขาการลักขโมยนี้ก็เป็นการทำบาปอีกอย่างหนึ่งที่จะสามารถดึงใจให้ลงต่ำได้ก็จะเป็นเหมือนสุนัข น, น่สุนัขเวลามันอยากจะกินอะไรถ้าเห็นอาหารของใครวางไว้มันไม่ขอมันก็คว้ามาไปเลยเรียกว่าขโมยแต่ถ้าเราเห็นอาหารของใครแล้วเราอยากรับประทาน ขออนุญาตจากเจ้าของก่กอนขอกินข้าวหน่อยได้ไหมหิวข้าวแล้วเกินถ้าเขาเมตตาเขาว่าแบ่งกันอไปกินอย่างนี้ก็ไม่บาปเป็นขอทานไม่บาปแต่เป็นขโมยบาปข้อที่สามก็อย่าไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของผู้อื่นนั่นเองเพราะว่าเป็นสมบัติที่หวงแหนของสามีของภรรยา แล้วจะทำให้ครอบครัวแตกแตกแยกได้สร้างความทุกข์สร้างความปั่นป่วนให้แก่ครอบครัวทั้งการกระทาของเราเองหรือของผู้อื่นฉนั้นข้อนี้ก็ไม่ควรกระทาเพราะมันก็เป็นลักษณะเดียวกับการเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่สัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีสามีภรรยาเขามีแต่เวลาที่เขาเกิดมีอารมณ์ เขาเจอใครตัวไหนที่เขาสามารถเสกกรรมได้เขาก็จะเสกกรรมเขาจะไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยาของใครอันนี้แต่เราเป็นมนุษย์ผู้รู้ว่าการอยู่มนุษย์อย่างมีความสุขนั้นถึงแม้เราจะต้องเสกกรรมเราก็เสบกรรมในลักษณะของการเป็นครอบครัวเราอยู่ร่วมกันเพื่อ เ, อเราจะได้ดูแลกันพึ่งพาอาศัยกันมีครอบมีครัวกัน มีความสุขมีลูกลูกก็เราก็เลี้ยงลูกลูกโตขึ้นลูกเขาก็ดูแลเรากันต่อไปทําให้การอยู่แบบมนุษย์ถึงแม้ยังต้อง ม, มีการเสพการก็ดีกว่าการอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานที่เสพการแล้วก็ทิ้งกันไปไ ม, นไม่ดูแลกันไม่ดูแลกันนํามาซึ่งปัญหาต่างๆเยอะแยะต่อไปเสพการแล้วทิ้งกัน คนที่เป็นผู้หญิงตั้งท้องก็ต้องไปทำบาปด้วยการทำแทงหรือไม่เช่นนั้นถ้าทอดถ้าคอดลูกออกมาบางทีก็เลี้ยงไม่ได้ก็ไปทิ้งไปทิ้งที่ไหนให้เขาให้คน่นเป็นภาระของคนอื่นไปหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเอาไปฝากกับยายกับตาให้ช่วยเลี้ยงดูเด็กก็ไม่มีการดูแลอย่างใกล้ชิดขาดความอบอุ่น ตนก็จะเป็นเด็กที่มีปัญหาต่อสังคมอีกอันนี้การเป็นมนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักการเสพการที่ถูกต้องคือการไม่ประพฤติผิดประเวณีถ้าอยากจะเสพการก็ต้องพร้อมที่จะต้องมีครอบครัวพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่เราเสพการคือเราจะต้องมีลูกมีเต้าขึ้นมาซึ่งสมัยนี้ก็มีความ สามารถพิเศษสามารถป้องกันได้ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะมีลูกมีเต้าเราก็พร้อมเราก็กินยาคุมได้การกินยาคุมนี้ไม่ถือว่าบาปหรือการทําหมันนี่ก็ไม่ถือว่าบาปเราเพียงแต่เป็นการป้องกันการสร้างลูกที่เรายังไม่พร้อมที่จะดูแลเรี้ยงดูเพราะถ้าออกมาแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นภาระของผู้อื่นกลายเป็นภาระของสังคมต่อไปได้ ดังนั้นก็เลยมีการคิดค้นวิธีที่จะไม่ให้เกิดการมีลูกในขณะที่ยังไม่พร้อมที่จะมีอันนี้ไม่บาปนะการการมีการคุมกำเนิดนี่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาปใดๆแต่ถ้าพอตั้งครรภ์แล้วไปทำแท้งเนี่ยบาปทันทีนันก็ต้องรู้จักว่าอย่ากระทำประพฤติผิดประเวณีเลยดีที่สุด แล้วข้อที่สี่ก็อย่าพูดปดอย่าหลอกลวงกันเพราะหลอกลวงกันนี่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ที่เราไปหลอกลวงได้หลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์ของเขาหลอกลวงเพื่อเอาชีวิตของเขาหลอกลวงเพื่อไปทำาปะพฤติผิดประเวณีกับเขาการกระทำหลอกลวงนี่เป็นการกระทำเพื่อไปกระทำเพื่อเป็นเป็นเครื่องมือในการที่เราจะได้ไปกระทาบาปข้ออื่นนั่นเอง นันงมากจะมีการพูดว่าคนที่คนที่พูดปดนี้จะไม่ไปทำบาปข้ออื่นนี่ไม่มีถ้าพูดปดแล้วมักจะต้องทำบาปข้ออื่นต่อไปแต่คนที่ไม่พูดปดนี้ก็จะเป็นคนที่จะไม่ไปทำบาปข้ออื่นได้มีก็สี่ข้อใหญ่ๆของการป้องกันไม่ให้จิตใจเราทำบาปไม่ให้เราดึงจิตใจเราให้ลงต่ำแล้วส่วนข้อที่ ห้าคือการดื่มสุรานี้ความจริงเป็นอบายมุกยังไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาปเพราะดื่มสุลาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเสียหายแต่จะเป็นเหตุให้ไปทำได้ง่ายขึ้นเพราะเวลาดื่มสุรายาเมาแล้วก็เกิดอาการมึนเมาขึ้นมาเราก็จะห้ามสติไม่ได้ห้ามความคิดไม่ดีไม่ได้คนที่จะทำความชื่วมักจะดื่มสุลาย้อมใจก่อน เพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรมายับยังยับยังความคิดชั่วนี้เพราะถ้าไม่ถ้ามีสติมันจะรู้ว่าผิดถูกดีชั่วว่าเป็นยังไง ร, รู้ว่าไปไปขโมยของคนอนื่นก็ไม่ดีไปพูดไปประพติผิดประเวณีของไม่ดีไปฆ่าผู้ น, นี่ไม่ดีแต่ต้องการผลประโยชน์จากการกระทำเหล่านี้ก็เลยต้องดื่มสุราย้อมใจไว้ก่อน พอดื่มแล้วมันก็เลยไม่มีสติยับยั้งความคิดเหล่านี้ได้พระพุทธเจ้าเลยต้องต้องต้องรวมข้อสุราซึ่งเป็นอบา ย, ยมุกนี่เอาเข้ามาอยู่ในศีลด้วยเพื่อป้องกันถ้าเรามีสติสมบูรณ์เรามักจะไม่กล้าทำบาปกันนอกจากว่ามันรู้แก่โทสะรู้แก่รูภะเท่านั้นเวลาเกิดความโกรธมากๆสติสตังก็ไม่มีแล้ว หือเวลาเกิดความโลภมากๆอยากได้อะไรมากๆนี่สติสตางก็ไม่มีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้แล้วเรื่องถือว่าเป็นเรื่องวิบากเรื่องเป็นกรรมของผู้นั้นไปถ้านอกจากนกาีาถ้าไปฝึกสติอยู่เรื่อยๆก็ยังจะมีสติพอยับยังได้พอเห็นอะไรรักชอบอะไรรักอะไรอยากได้แต่ไม่มีความสามารถที่จะไปเอามาได้ด้วยวิธีสุจริก็จะคิดไปทาบา แต่พอมีสติมากมันจะยับยั้งได้หมดเฮ้ยไปทำทำไมทำแล้วก็จะได้ได้ได้ไม่คุ้มเสียสิ่งที่เราได้มานี้คุณค่าประโยชน์มันไม่ไม่สามารถมาลบล้างโทษที่เราไปทำบาปได้เออนี่อย่าไปทำดีกว่าพอมีสติก็ยับยั้งใจได้พอยับยั้งใจใจที่เด้นทรวนทัวลายก็หายด้วยกำลังของสติกลับมาอยู่เป็นปกติได้ไม่เดือดร้อน เพราะฉะนั้นการรู้เหตุก็คือรู้ว่าการกระทาบาปนี้ไม่ดีอย่าไปมองที่การผลที่ได้จากลาบยศสรเสริญสึกหรือจากร่างกายเช่นทาบาปฆ่าผู้อื่นเพื่อรักษาชีวิตของเรานี้ทำให้ชีวิตของเรามีอายุยาวขึ้นเพราะผู้อื่นเขาเขาจะมาฆ่าเราเราก็เลยไปฆ่าเขาก่อนแต่อันนี้ไม่ได้เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นผลที่จะเกิด ที่แท้จริงผลที่เกิดที่แท้จริงคือทําบาปแล้วฆ่าเขาแล้วเราจิตใจเราจะลงต่ําทันทีการฆ่านี่มันจะลงให้เราไปเป็นไปนรกกันเพราะเรามักจะฆ่าด้วยความโกรธแค้นโกรธเครื่องกันดังนั้นต้องเข้าใจอย่าไปดูผลทางร่างกายอย่าไปดูผลทางลาบยศสรเสริญสุขอันนี้ไม่ได้เป็นผลที่แท้จริงผลที่แท้จริงอยู่ที่ ใจของเราใจเราจะสูงขึ้นหรือใจเราจะลงต่ําเพราะใจเราต้องไปต่อนะหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเราจะไปอยู่ด้วยความสุขหรือไปอยู่ด้วยความทุกข์ถ้าทําบาปมากกว่าทําบุญบาปมันจะมีกําลังที่จะผลิตความทุกข์มากกวความสุขส่วนถ้าบุญมีกํำลังมากกว่าบาป บุญก็จะผลิตความสุขให้มีมากกว่าความทุกข์เหมือนเครื่องปรับอากาศกับความร้อ น, นในห้องถ้าเครื่องปรับอากาศมีกำลังมากกว่ามันก็มันก็ปรบความร้อนในห้องได้แต่เครื่องปรับอากาศถ้ามันไม่เย็นเนี่ยมันก็กรบความร้อนในห้องไม่ได้แบบเดียวกับใจของเราเนี่ยใจของเราก็เป็นห้องแล้วบาปกรรมนี่มันเป็นตัวผลิตความร้อนให้กับใจของเรา ส่วนบุญนี้เป็นตัวที่ผลิตความเย็นความสุขให้กับใจของเราใจของเรานี้ยังต้องไปต่อแล้วจะไปแบบจะอยู่แบบเย็นหรืออยู่แบบร้อนเท่านั้นเองจนกว่าใจจนกระบาปกับบุญที่เราทำนั้นมัมีกําลังเท่ากันจะร้อนก็ไม่ร้อนจะเย็นก็ไม่เย็นตอนนั้นใจก็จะไปรับร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วก็จะได้มาเกิดใหม่ แล้วก็มาทําบุญทําบาปใหม่อีกตามนิสัยเดิมเคยชอบทําบาปก็จะกลับมาทําบาปต่อเคยชอบทําบุญก็จะกลับมาทําบุญต่อเนี่ยมันมีผลไกลนะมีผลต่อจิตใจของเราเป็นระยะเวลาอันยาวนานดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเราทํากรรมดีเราก็ปลูกฝังนิสัยที่ดีไว้ในใจของเราเราทํากรรมชั่วมันก็จะปลูกฝังนิสัยไม่ดีไว้ในใจของเรา ให้เราทำต่อไปเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่ถ้าเราทำชั่วมันก็จะมีแต่ดึงให้เรากลับลงมาเกิดต่ำแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอบายอยู่เรื่อยๆถ้าเราทำกรรมดีมันก็จะทำให้เราเกิดกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสุขติและในที่สุดอาจจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยก็ได้ถ้าเราทำความดีได้อย่างสมบูรณ์ทำได้อย่างสูงสุดคือทา ให้ไปถึงพระนิพพานได้ซึ่งก็ต้องทำบุญหลากหลายด้วยกันทำบุญชํำทานแล้วก็ต้องรักษาศีลทั้งศีลห้าศีลแปดนั่งต้นที่ศีลห้าไปสู่ศีลแปดหรือถ้าไปเป็นนักบวชก็ศีลสองร้อยยิบเจ็ดแล้วก็ต้องปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาตามลำดับถึงจะสามารถที่จะ ดึงใจให้ออกจากวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ในที่สุดแต่ถ้ายัางไปไม่ถึงขีดสูงสุดก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่แต่จะกลับมาวงจะวงเวียนอยู่ในวงจรที่ดีคือกลับมาเกิดในเป็นมนุษย์ตายไปก็กลับไปสู่สุขติกลับไปเป็นเทพเป็นพรหมจะไม่ลงไปอบายถ้าเรารู้เรื่องของเหตุและผล ที่พูะเจ้าทรงสอนให้เรารู้กันให้รู้ว่าการคิดของเรานี้จะเป็นเหตุที่จะพาให้เราไปทำดีทำชั่วแล้วผลก็คือจะดึงให้จิตใจเราขึ้นสูงหรือลงต่ำไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตทางร่างกายว่าจะอายุยืนยาวนาะนสุขภาพแข็งแรงหรือไม่หรือจะรวยจะจนหรือไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกันอาจจะมีผลบ้างเป็นผลข้างเคียงแต่ไม่ไม่เกิดขึ้นเสมอไปกับทุกคน บางคนทําชั่วแล้วได้ดิบได้ดีมีเยอะอย่างที่เขาพูดกันนะทําดีแล้วไม่ได้ดิบได้ดีเลยทํำชั่วกับได้ดิบได้ดีเพราะการทํำชั่วมันมีการให้ผลประโยชน์ต่อกันกมีการให้เงินใต้โต๊ะเนี่ยให้เงินใต้โต๊ะเดี๋ยวก็ได้ประมูลได้นะใช่ไหมได้ย่างเยอะถ้าทําตรงไปตรงมาไม่มีเงินใต้โต๊ะเนะเสียใจยไม่ได้ใช่ไหมยอย่าไปดูตรงนี้นะ เราดูตรงนี้ถ้าไปดูเรื่องรา ก, กรสสนเสริญสุขแล้วเราจะเราจะอดทำบาปไม่ได้เพราะเราอยากจะร่มอยากจะรวยกันทุกคนแต่ขราให้รู้ว่าความรั่ารวยไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากกว่าคนที่ไม่น่่ารวยนะความคนความสุขนี้ความสุขทางร่างกายทางตาหัวจมูกนิ้นกายนี้มันเป็นเพียงเสี่ยวเดียวท่านเองเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขทางจิตใจคนที่ไม่ได้ทาบาปประมูลไม่ได้ แต่จิตใจเขาอาจจะมีความภูมิใจว่าเขาไม่ได้ขายตัวเขาเขาไม่ได้ขายศักดิ์ศรีของเขาเขากลับมีความอินใจสุขใจมากกว่าคนที่ไปประมูลได้ถึงแม้คนประมูลได้ได้เงินมาเยอะไปซื้อลดราคาแพงๆมาขับคนประมูลไม่ได้ขับรถราคาถูกๆมันก็เป็นรถเหมือนกันละ่ะใช่ไหมมันก็พาเราจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งได้เหมือนกันไม่ไม่ต่างกันเลย คนที่มีปัญญามีเหตุผลนัล้นจะไม่ค่อยจะลหลงไหลกับเรื่องไร้สาระเรื่องเรื่องของฟุ่มเฟของหรูหราของของแพงๆต่างๆจะมองที่การใช้สอยประโยชน์ประโยชน์ที่จะได้จากการใช้สอยเป็นหลักว่าเสื้อผ้าชุดนี้ใส่แล้วมันปกปิดร่างกายได้ไหมทำไมราคาต้องเป็นหมื่นเป็นแสนในเมื่อราคาแค่พันก็ใส่ได้ใช้ได้รถยน์ราคาแค่สี่ห้าแสนหรือห้าหกแสนก็พาเรา ไปนู่นมานี่ได้ทำไมต้องเสียเงินสีห้าล้านเพื่อที่จะพาเราไปที่ทจุดเดียวกันเื่อเงินที่เหลือจากซื้อของแพงไปทำบุญไม่ดีกว่าไปยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นไม่ดีกว่า เ, เพราะจิตใจของเราไปต่อนะแต่ร่างกายของเราลถของเราไม่ไปกับเรานะของหรูหราของแพงแพงมันไม่ไปกับเรา แต่สิ่งนี้ไปกับเราก็คือความดีความเชื่อที่เราทำนี่ความดีก็จะฉุดแท้ใจเราสูงให้มีความสุขมากขึ้นความชั่วก็จะฉุดให้จิตใจของเราต่ำลงเนี่นี่คือความรู้สองข้อแรกที่สาคัญที่สุดให้เรารู้รู้เหตุรู้ผลเลยเหตุก็คือนี่แหละคือการกระทำทางกายวาจาใจดีก็ทำให้เกิดผลดีทำให้จิตใจเรามีความสุขมากขึ้น เจริญมากขึ้นจนถึงขั้นสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ได้ทำชั่วก็จะทำให้จิตใจเราลงต่ำทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นจากมนุษย์เราก็จะกลับไปเป็นเบลฉานเป็นเปรต เ, เป็นนสุลกายเป็นนรกต่อไปใครรู้สองข้อนี้เป็นหลักใหญ่ส่วนในก้าข้อนี้เป็นเป็นความรู้ที่เราใช้ในขณะที่เรามีความเกี่ยวข้องกับผู้อื่ น, นให้รู้ตน ก็ให้รู้สถานภาพของเราว่าเราเป็นใครนะเราเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เด็กก็ต้องทำตัวแบบเด็กก็ต้องมีความอ่อนน้อมเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องมีความเมตตาเอ็นดูต่อผู้น้อยอันนี้เป็นคือการรู้ตนรู้ว่าเราเป็นเพราะแต่ละคนนี่มีมีสถานภาพหลากหลายบางทีก็เป็นเป็นเจ้านายบางทีก็เป็นลูกนอก้อง บางทีก็เป็นพระบางทีก็เป็นโยนเวลาที่เป็นอะไรต้องรู้จักการปฏิบัติของฐานะของตนให้ถูกต้องเป็นพระก็ต้องทําตัวให้เป็นพระรักษาพระวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่เป็นพระแล้วก็ไปจัดปาร์ตี้บนแพกินเหล้าเมายากันอันนี้ก็เป็นพระแต่ชื่อแล้วแต่พุทิกรรมไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นพระแล้วศรัทธาที่เขามีต่อพระมันก็จะหมดไป ทำให้ศาสศนาเสื่อมเสียทําให้ภาพรูปอื่นเขาไม่รู้วินัยนิเนต้องกายมารับข้อกรรมด้วยเพราะคนบางทีไม่รู้จักแยกแยะพอเห็นภาพรูปหนึ่งไม่ดีก็เหมาไม่ดีไปทั้งหมดเลยอันนี้ก็เพราะไม่รู้จักฐานะของตนว่าตนเป็นอย่างเป็นอะไรเป็นใครเป็นโสดหรือเป็นเป็นผู้มีครอบครัวแล้วการกระพืดการกระทําก็ต้องเป็นไปตามฐานะของตน เป็นโสจะไปมีแฟนที่ไหนก็ได้แต่มีคู่ครองเราก็ไม่ได้แล้วมีคู่ครองเราก็ต้องหักห้ามจิตใจเวลามีใครมาจีบมีใครมาทอดสะพานก็ต้องหักห้ามจิตใจไม่ใช่ปล่อยประละเลยเพราะมันจะนำความเสื่อมเสียมาให้การรู้ตนนี้เพื่อป้องกันความเสื่อมเสียความทุกข์ที่เข้ามาหาเราและรักษาความสุขที่เรามีอยู่ให้อยู่ต่อไปหรือเพิ่มมากขึ้นนี่คือการรู้ตน แล้วก็เราต้องรู้จักบุคคลก็คือคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยคนที่เราพบปะด้วยคนที่เราพบปะเขาก็มีฐานะต่างกันบางคนเขาก็สูงกว่าเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ต้องให้ความเคารพนับถือเขาคนที่เขาด้อยกว่าเราเล็กกว่าเราเราก็ต้องให้ความเมตตากรุณอาอเขาเนี่นี่คือการรู้บุคคลเพื่อเราจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเวลาเราพบกับพระเราก็ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกับพระ เวลาเราพบกับเพื่อนฝูงแล้วก็วิธีปฏิบัติกับเพื่อนฝูงก็ต่างกันอย่าเอามาใช้แบบเหมือนกันหมดไม่ได้ซึ่งในบางสังคมทางทางโลกตะวันตกที่เขาคิดว่าเขาจเจริญนี่เขากลับไม่มีการรู้บุคคลเขาไม่รู้พ่อรู้แม่พ่อลูกนี้ม่งทีลูกหัวกันได้เอาเท้ายกใส่หน้ากันได้นั่งคุยกันก็ยกยกเท้าใส่ อันนี้เขาไม่รู้ว่าเขาไม่มีความเคารพต่อบุคคลผู้เป็นบุพการีของเขาเขาไม่รู้จักความกตัญญูกะตะเวทีเขากลัว่าพ่อแม่สร้างเขามาเป็นเป็นเหมือนเขาเป็นคนรับใช้เขาสร้างเขามาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเขาเลยคิดว่าถ้าไมเา่เขามีสิทธิ์ที่จะไม่เลี้ยงดูเราได้ถ้าเขาไม่เลี้ยงดูเราแล้วเราจะกลายเป็นอะไรไปอาจจะกลายเป็นซากศพหรือกลายเป็นเด็กกำพ้าไป เขาไม่คิดเขาไม่รู้จักเรื่องบุญเรื่องคนเรื่องความกตัญญูกตวเวทีเพราะไม่มีใครสอนไม่มีศาสนาแต่พุทธศาสนาทนี่สอนว่าบุคคลที่เขาสูงกว่าเราเขามีพระคุณกับเรานี้เราต้องมีความกตัญญูกตวเวทีต้องให้ความเคารพไม่ใช่ยกตนเสมอท่านไม่มีในสังคมพุทธน่เราไม่มีแต่ต่างชาตินี้ก็ถือว่าทุกคนเท่ากันหมดเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์แล้วเหมือนกันหมด อย่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่เหมือนกันหมดไม่มีสรพนามให้สูงขึ้นและเท่ากันมีอายุเหมือนกันหมดของพวกเรานี่เวลาจะเรียกคนที่สูงกว่าเรียกพี่ใช่ไหมคนที่ต่ำกว่าเราก็เรียกคนน้องแต่เขาไม่มเีเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องเรียกพ่อเรียกชื่อพ่อเลยเรียกแม่ก็เรียกชื่อแม่เลยอันนี้ขาดความรู้ทางด้านสังคมเนี่ยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบุคคลต่างๆ จึงทำให้การการอยู่ของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่ไม่เหมือนของเราเราอยู่ร่วมกันได้สังคมของคนชาวพูดนี่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราอยู่กันได้เพราะเรารู้จักวิธีการปฏิบัติต่อกันละกันให้ทุกคนมีความสุขได้ไดข้อ5รู้สังคมคือสังคมก็อย่างที่พูดแต่ละสังคมก็ไม่เหมือนกันการพบปะกกันในแต่ละสังคมก็มีมวิธีการแสดงความ ทักทายไม่เหมือนกันคนไทยเราก็ยกมือว่าคนญี่ปุ่นเขาก้มหัวแล้วกับฝรั่งเขาก็จับมือกันอย่างนี้เราก็ต้องรู้จักประเพณีของแต่ละสังคมเวลาที่เราไปอยู่กับเขาเข้าเมืองหลิวว่าต้องหลิวตาตามอันนี้คือความหมายของเรื่องการรู้สังคมสังคมเขาเขารังเกียจอะไรเขาไม่รังเกียจอะไรเราก็ต้องรู้สังคมเราบางทีไม่รังเกียจสิ่งนี้แต่เขากลับรังเกียจก็มี สังคมเรารังเกตสิ่งนี้แต่เขาไม่รังเกตก็มีอย่างเช่นเรารังเกตคนที่ยกเท้าใส่หน้าเราใช่ไหมนั่งก็นั่งแล้วก็ยกเท้าใส่ชี้หน้าเราเนี้แต่ฝรั่งก็นั่งแล้วกยกยกเท้าขึ้นสบายเพราะไม่ได้ถือสาอะไรกันอันนี้ก็ต้องเป็นการรู้เรื่องสังคมเพื่อที่เราจะได้เวลาเข้าสังคมจะได้ทำตัวให้ถูกต้องจะได้ไม่กลายเป็นทำให้วงเขาแตกไรยังเงี <laughs> ้ น, นี่คือ การรู้สังคมข้อต่อมาก็ให้รู้รู้กาลเทศะให้รู้การสถานที่ที่เราไปเวลาใดที่เราไปคนจะไปสถานที่ดใดเช่นมาวันนี้มาเวลาใดไม่ใช่มาตอนข้ามตอนคืนยามดึกยามดื่นมาก็มาตอนเช้ามาทมําบุญใส่บาตรถ้าจะฟังเทศน์ฟังธรรมก็มาตอนบา่ายตามที่ก็มีเวลาให้ทําและการมาก็ต้องรู้จักการทําตัวว่าต้องทําตัวยังไง มาวัดก็ต้องสำรวมกายวาจาใจให้อยู่ในควาสมสงบแต่ถ้าไปตามแหล่งบันเทิงก็อีกอย่างไม่ทําไปสำรวมกายวาจาใจมันก็ไม่เหมาะนะเอขาวา่านี่เถ่นตรงมาทําไมห ล, ลงทางหรือเปล่าไปไปที่เขาเต้นรังเต้นกาก็ต้องเต้นรังเต้นกากับเขาแต่ถ้าไม่อยากไม่ชอบก็อย่าไปถ้ามาที่สำรวมถ้าไม่ชอบสำรวมก็อย่ามา ต้องรู้จักกาลเทศะเพื่อจะได้ไม่ไปทาตัวเองให้เสียหายสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นทำตัวให้เป็นที่รังเกียจของบุคคลอื่นแล้วข้อสุดท้ายก็ให้รู้จักประมาณก็ให้รู้จักความพอดีในเรื่องการบริโภคปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งขมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคคือให้ดูการใช้สอยเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นหลักอย่าไป ยึดติดกับของหรูหราของแพงๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําประโยชน์ได้เท่ากันกินอาหารมือละร้อยกับกินอาหารมือละพันมันก็อิ่มเหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ของแพงๆของเกินความจําเป็นมันจะ ก, กดดันให้เราต้องไปหาเงินหาทองมาใช้อยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเงินทองไม่พอใช้ก็อาจจะทําให้เราเดือดร้อนอาจจะทําให้เราต้องไปทําบาปกัน ไปช่อโกงไปลักทรัพย์เพื่อที่เราจะได้เอาเงินมาใช้กับของฟุ่มเฟือยต่อไปดางนั้นเราต้องรู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัยสใช้ตามกำลังของเราถ้าเรามีมากก็ใช้มากได้มีน้อยก็ใช้น้อยแต่คนฉลาดนี้จะไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากมีน้อยจะดูที่ว่ามันจำเป็นเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นถ้ากินอาหารมื้อละร้อยแล้วอิ่เหมือนกับมื้อละพันก็กินมื้อละล้อยก็พอเอาเก้าร้อยไปแจ ก, กทานดีกว่า ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เขาอดอยากขาดแนไปสร้างทานบา ร, รมีไปสร้างสวรรค์ให้กับใจดีกว่าเพราะใจนี้ยังจะต้องต้องไปไปต่อไปนั่นเอง <c oughs> นี่แหละคือเรื่องของความรู้จักประมาณการรู้จักความรู้ทั้งเจ็ดประการนี้แล้วรับประกันได้ว่าชีวิตจะไม่มีวันตกต่ำจิตใจจะไม่มีวันตกต่ำจิตใจจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจจิตใจจ ะ, จะมีความสุขความเจริญมีความสุขโดยถ่ายเดียว นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดได้มาคบบัณฑิตได้ได้ละเว้นจากการไปคบคนโง่คนคนไม่รู้จักความความความจริงของชีวิตว่าเป็นอย่างไรประโยชน์ก็คือความสุขความเจริญที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจที่จะตามมาต่อไปพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งก็มีด้วยประการานี้ การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปกักปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาปา จันโทปนะราโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิโยวิวาจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวะตวันตรายสุขีทีพายุโกภวะอภิวาตนาสีิทธะนิจจังวัฏฐะปจายโนจตารธรมมาวาทานติ Are you one But, อายุวันโอสุขังพะลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะถามเองก็เข้ามาที่ข้างหน้านี้มีไมโครโฟนให้พูดถ้าไม่อยากจะเข้ามาเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ หรือจะถ้ามี Facebook และ YouTube ก็ส่งข้อความผ่านทาง Facebook YouTube ได้ในขนาดนี้เลยอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งที่นี่และบ้านประมาณทักเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา421 YouTube พระสุชาติไลฟ์292 y o u t u ด e อกเร์115 วิธีออนไลน์6คลับเฮาส์16ผู้รับฟังข้างหน้ากุฏิ59คนรวมทั้งหมด909ครับสามสองท่านที่ต้องการหาเลขก็จะไม่จะรับประกันได้าไม่ถูกอย่างง่นะอย่าหลงเชื่อนะเดี๋ยวถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้ คำถามจากผู้ฝากถามครับคุณพ่อผมป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดเป็นเบาหวานเพิ่งออกจากห้องไ c u ครับวันนี้ท้องเสียนอนไม่หลับน้ำหนักลด48ออกซิเจน8990ผมควรทำอย่างไรตอนนี้ครับควรจะลา ง, งานไปดูแลท่านไหมครับถ้าไปแล้วทำให้ท่านหายก็ไปเลย แต่ถ้าไปเราก็เหมือนเดิมเรือแยกก็เดิมก็ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของเราไปก็ให้ทางกำลังใจนะให้ท่านมีความรู้สึกว่าเราไม่ทอดทิ้งกันเราเฝ้าดูแลกันตอนที่เราเป็นเด็กท่านก็ดูแลเราเวลาเราไม่สบายท่านก็ไม่ทิ้งเราเวลาที่ท่านไม่สบายถ้าเราไปได้ก็ควรจะไปแต่อย่าไปเพราะว่าจะไปทาให้ท่านหายหรือทาให้ท่านฟื้น อันนี้มันเป็นเรื่องของหมอเรื่องของร่างกายที่อาจจะฟื้นก็ได้อาจจะไม่ฟื้นก็ได้อันนี้แล้วแต่ให้ทางใจแล้วก็ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของความตายนี้เป็นได้ด้วยกันทุกคนอันนี้ทำเพื่อให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจแต่เรื่องความสัมพันธ์เรื่องการตอบแทนบุญคนนี้ถ้าไปอยู่ใกล้ท่านได้ก็ดี จะได้แสดงว่าเราไม่ทอดทิ้งกันดูแลกันแต่ถ้าเราไปไม่ได้จริงๆเพาเราติดภารกิจต่างๆอย่างน้อยก็ส่งเงินทองไปดูแลค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆไม่ให้ท่านเดือดร้อนขาดแคลนคำถามต่อไปจากคุณนันพัฒกรณีที่พระท่านโพสบอกบุญในไลน์กลุ่มและลงเลขที่บัญชีส่วนตัวหรือเลขที่บัญชีของวัด เป็นการสมควรหรือไม่ครับหรือโยมควรจะเป็นคนโพสต์น่าจะเหมาะสมกว่าครับก็ถ้าโยมโพสตไซด้ได้ก็น่าจะดีกว่าเพราะจะได้พารจะได้ไม่ต้องมาทําเรื่องราวก่อนี้าให้เป็นเรื่องของญาติโยมเป็นของวัทยาวจักรของทางวัดให้เขาเป็นผู้ที่เรียงลายหรือบอกบุญไป คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามพระอรหันต์เมื่อละสังขารเข้านิพพานอยากทราบว่านิพพานเป็นเหมือนภพภูมิอื่นๆไหมครับเพราะอาจารย์บางสายบอกว่าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระอรหันต์อยู่ในประสาทในนิพพานเพียงแต่ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเป็นแค่ดวงจิตไม่มีร่างกายไปรวมกันอยู่ในนิพพานครับก็เป็นนินแานในความฝัน เวลานอนหลับก็เหมือนเราตายไปชั่วคราวแล้วก็ฝันดีฝันร้ายฝันดีว่าไปอยู่ในประสาทราชวังไปอยู่ที่ไหนที่นั่นที่นี่อยู่โรงงานห้าดาวรับบริการ ร, ร้านกินอาหารมิชลินห้าดาวอันนี้ก็เป็นโลกของความฝันโลกของจิตใจคือโลกของความฝันเวลาร่างกายตายไปแล้วหรือ เ, เวลาร่างกายนอนหลับจิตใจก็จะอยู่ในโลกของความฝัน จะฝันดีไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำกันนี้เององั้นนิพพานก็เป็นเป็นโลกของความฝันต้นนิพพานนี้คือมันเป็นได้สองตอนนิพพานที่เป็นตั้งแต่ยังมีร่างกายเวลามีร่างกายจิตก็เป็นบารมีสุขตลอดเวลาจิตไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะสัมผัสรับรู้เรื่องอะไรก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่หิวไม่โหยมีความอิ่มความพอ แต่เวลาไม่ดีร่างกายก็นิพพานก็จะอยู่ในแบบนั้นต่อไม่หิวไม่หอไม่มีความอยากได้อะไรไม่ความอยากมีอะไรคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้างหน้ากุฏิครับในการที่เราเจออารมณ์ต่างๆที่เข้ามาทางทวารทั้งหกเราควรจะทำอย่างไรที่จะทำให้อารมณ์เหล่านั้นทั้งดีและไม่ดีไม่ให้เข้าถึงใจเราครับ ก็ต้องฝึกสติให้มีอุเบกขาเ น, นี่งให้ฝึกสติให้มีสมาธิให้เกิดอุเบกขาอุเบกขาเกิดในสมาธิระดับฌานที่สี่พอมีฌานสี่ก็จะมีอุเบกขาแล้วก็พยายามให้มีอุเบกขาไว้นานๆเพราะเวลาออกมาอุเบกขาจะได้ตกค้างอยู่ไม่หายไปทันทีแล้วถ้าอยากจะให้อุเบกขาอยู่ต่อไปนานๆก็ใช้ปัญญา คอยสกัดสิ่งที่จะมาทำลายอุเบกขาคือความโลภความอยากด้วยความรักความชางังความกลัวความหลง่ต่างๆถ้าพิจารณาทุกอย่างด้วยปัญญาว่าเป็นไตรลักษณ์จิตก็จะเฉยได้ปล่อยวางได้คำถามต่อไปจากคุณวชิระวิต์ ถ้าเราได้รับเงินจากผู้รับเหมาเป็นสินน้ำใจที่ช่วยประสานงานขององค์กรจนเสร็จสิ้นแต่เรานำเงินนั้นมาให้ฝ่ายการเงินใช้ในองค์กรต่อไปอย่างนี้ถือว่าผิดไหมครับก็เป็นการทำบุญนะถ้าเราไม่ปไปเรียกร้องเขาเขาให้มาด้วยความเสน่หาอันนี้ก็ไม่ไม่ถือว่าผิดนะแต่ถ้าเราไปเรียกร้องว่าว่าถ้าเราทาอย่างนั้นทานี้ต้องจ่ายเงินให้เราอย่างนี้อันนี้ก็ ถือว่าเราหาเงินโดยที่ไม่ไม่ถูกเพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่เราต้องทําหน้าที่นี้อยู่แล้วแล้วก็เราก็ได้เงินเดือนจากการทําหน้าที่แล้วแต่ถ้าเราไปเรียกเพิ่มนี้ก็เรียกว่าเป็นการค่มขู่บังคับเขาให้เขาจ่ายถ้าเขาไม่จ่ายเขาก็จะไม่ได้งานที่เราที่เราจะช่วยให้เขาได้งานนั้คําถามจากคุณจิราพร์ พระจําเป็นต้องให้พรหลังรับบาดหรือไม่ครับถ้าเราใส่บาดแล้วบอกพระว่าไม่ต้องให้พรจะเป็นการไม่สมควรหรือไม่ครับคือพระที่ให้พรในช่วงบิณทบาทนั้นเป็นพระไม่รู้เรื่องเป็นพระที่ไม่ได้ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์กันเห็นพระที่ไม่รู้เรื่องทําแบบนี้ก็ทําตามกันไปแต่ตามหลักแล้วเวลาให้พรมันเวลาบินทบาทไม่สะดวกต่อการให้พร เพราะว่ามันต้องเดินสายยาวแล้วคนอื่นเขารออยู่จะเสียเวลามากเกินไปแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็ให้พรแบบ พ, พูดภาษาไทยก็ได้พูดสั้นๆขอให้สุขใจเจริญครับอะไรท่านนี้ก็พอแล้วก็ไปได้ไม่ต้องมาสวดยาวเป็นนาทีสองนาทีอันนี้ไม่ต้องไม่จำเป็นคำถามต่อไปจากคุณกลาง เมื่อใส่บาตรแล้วเราได้เมตตาจากพระท่านโดยท่านให้อให้อาหารมาทานเกือบทุกวันเราก็ได้นำอาหารเหล่านั้นกลับไปทานที่บ้านและแบ่งให้รอปภจึงขอเรียนถามว่าบุญที่เราทำไปและของที่ได้ทานจากพระนั้นเป็นการลดบุญจากการใส่บาตรวันนั้นหรือไม่ครับเพราะได้ของกลับมาครับ ไม่เราบุญที่เราทำไปก็เป็นเุญนบุญเราได้ความสุขใจอย่าใจจากการเสียสละของเราแต่ส่วนที่เขาให้มาถ้าเราไม่ได้ไปขอไปอยากได้มันก็ไม่ลดแต่ถ้าเราไปขอไปอยากได้ก็เหมือนไปขอคืนะฉะั้นอย่าไปอยากได้ของจากพระเขาอยากไปขอหลวงพี่ขอนขอนี่หน่อยนะอะไรแต่ถ้าหลวงพี่เขามีเหลือเขาไม่รู้จะไปทำอะไรกับของนั้นเขาก็เลยบอกว่า โยมมาไปกินกันนะเรื่องโยมจะไปช่วยทำบุญทำทานต่อก็ได้ทำประโยชน์่นี้ถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นการลดบุญที่เราทำไปเราต้องไม่มีความอยากได้เราต้องไม่ขอไม่เอ่ยปากหรือขอหรือเอ่ยปากขออย่างนี้ไม่เป็นการเป็นกิเลสเป็นความโลภเราทำบุญเพื่อละความโลภละความอยากได้ให้น้อยลงแต่พอเราทำแล้วเรากลับอยากได้มากกว่าที่เราทำานี้บางคน มาถือเป็นตัวมามีของอยู่แค่ชั้นเดียวไหลกลับไปนี่เต็มตั้งหชั้นเลยก็มีแบบนี้ก็ยังไม่บาปเพราะเป็นของที่ถ้าเป็นของที่เหลืออยู่แล้วพร ะ, ะให้ไปแต่มันไปไปเสริมความรลภของตัวเองเพอไม่ได้ไม่ได้เสริมแต่ถ้าพระเขาให้แล้วเอาไปก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่บาปอะไรแต่อย่าทำด้วยความโลภพอที่เห็นว่าของเขาให้ของมันเหลือ เขาทํําท า, าไม่เอาไปก็เขาก็ไออกไปทิ้งอย่างเนี้แล้วเราก็เอาไปแล้วอาจจะเอาไปทําบุญหรือไปให้ทานคนอื่นต่อก็ได้อันนี้ก็ไม่ไม่เป็นการเป็นความโลภแต่อย่างใดแต่อย่าไปอยากได้นะอย่าไปจ้องเอาว่าเดี๋ยวของคุณต่างอยู่ตรงนั้นตรงนี้พอพระให้พอเสจกระโดดใส่กันเลย นะก็ต้องระวังความโลภนะเราทําบุญเพื่อละความโลภอย่าให้ความโลภมันตลบหลังเราครับคําถามต่อเนื่องครับและของที่เราได้มาจากพระนําไปแจกจ่ายที่อื่นต่อจะได้บุญด้วยหรือไม่ครับได้ของเช่นเดียวกันเนี่ยมันทําบุญได้หลายต่อเช่นให้พระพระไม่เอาพระจะมีพอแล้วก็ให้โยมโยมก็มีพอแล้วก็มาให้คนหนึ่ง อีกคนมีพอก็ให้มันก็แต่ละคนก็ได้บุญได้การเสียสละไปเพราะเป็นของของตนแล้วมันเป็นของของเราแล้วเราจะกินก็ได้เราจะให้คนอื่นก็ได้แล้วเรากินเราก็ได้อาหารให้ร่างกายถ้าเราให้คนอื่นเราก็ได้อาหารใจได้บุญแทนคําถามต่อไปจากคุณทิดารัตหากเราปฏิบัติอยู่ที่บ้านถือศีลแปดแต่เพราะว่ายังต้องทํางาน เราสามารถเริ่มงดอาหารหลังจากรับประทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จแล้วได้หรือไม่ครับได้ก็เลื่อนเวลาไปหน่อยมันเป็นความจําเป็นไม่ได้ความไม่ได้เกิดจากความอยากของเราเพราะสมัยนี้ทํางานก็ต้องพักตอนเที่ยงวันแล้วก็กินข้าวแล้วกลับมาทํางานตอนบ่ายโมงนั้นบางทีก็ต้องรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงไปแล้วแต่ก็เป็นเพราะมันเป็นความจําเป็นอะไ น, นี้ก็ใช้ได้ไม่เป็นไรไม่ ตามตามตามการปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ผิดสีงด่งใดอย่างใดคำถามต่อไปจากคุณนัทวุฒิโยมปฏิบัติธรรมตอนเด็กรู้การข้างหน้าว่าจะทำงานที่ไหนหรือมีเหตุจะมีนิมิตเห็นล่วงหน้าครับอันนี้ถ้าอยากจะกำหนดให้ใช้ตามความต้องการจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับ แล้วเราไม่รู้หรอกเรื่องนี้ถ้าคุณคุณรู้คุณต้อง ค, คุณก็ต้องทำเองเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของส่วนตัวความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลคนที่ไม่มีก็ไม่สามารถจะแนะนาบอกได้คําถามต่อไปจากคุณสุกัญญาถ้าเราไม่ทำตามใจบุพการีเราจะผิดไหมครับเพราะสิ่งที่ตามใจนั้นไม่ถูกต้องครับ เจอมันก็ดู่ที่ว่ามันไม่ถูกอย่างไรถ้าไม่ถูกศีลธรรมก็ไม่ควรทําถ้าทําบาปเขาให้เราไปทาําบาปก็ไม่ควรทําให้เราทําผิดกฎหมายก็ไม่ควรทำํำแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับเราแต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นอย่างนี้ถ้าเรารักพ่อรักแม่อยากจะให้พ่อแม่มีความสุขถ้าเราทําตามได้ก็ทําไปเป็นการตอบแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่ ที่พ่อแม่เขาเลี้ยงดูเรามาเขามีความหวังดีกับเราแล้วเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทาให้เรามีทำให้เราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นยกเว้นว่าถ้ามันขัดกับความรู้ความสามารถขัดกับนิสัยของเราเราไม่ทําตามก็ได้ไม่ถือว่าเป็นบาปไปอย่างใดแต่ถ้าทําตามได้ก็อาจจะเป็นบุญที่เราได้ทําให้พ่อแม่มีความสุข แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เราทำแล้วเราทุกข์เพราะไม่สุขบางทีเราก็ทําไม่ได้เช่นให้เราคายให้เราแต่งงานกับคนที่เราไม่รักอย่างนี้เราไม่ชอบอย่างนี้เราก็อาจจะทําไม่ได้อย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าบาปแต่อย่างไรไม่ถือว่าเป็นการไม่กระตันอูแต่อย่างใดก็ต้องดู ด, ดูที่เหตุผลหลายหลายด้านด้วยกันพิจารณาก็แล้วกันคําถามจากคุณนัฐพลมีสองคำถามครับคําถามแรก การภาวนาอาการที่เกิดขึ้นคือการตกหลุมตกบ่อในที่นี้หมายถึงชั้นสี่ถูกต้องไหมครับใช่ส่วนใหญ่ก็จะลงถึงชั้นสีน่เาชั้นนจะผ่านชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาก่อนก็พวดไปเหมือนลิฟต์ลิฟต์ขาดนี่มันจากข้างบนสูงสุดก็ลงถึงชั้นล่างตึ้งเลยกระแทกพื้นเลย และอาการนี้เราต้องเข้าให้ได้จนชนานาญเพื่อจะเดินวิปัสสนาต่อไปใช่ไหมครับใช่ชนานาญแล้วก็ให้กิดดูเบกขามากๆอยู่ในใจใเวลาออกจากสมาธิมาก็ยังมีเบกขาอยู่แล้วเราก็จะสามารถใช้จิตที่มีอเบิขานีพิจารณาสิ่งที่จิตไม่ชอบพิจารณาได้ mm hmm. เช่นความตาย mm hmm. เช่นความไม่สวยงามของร่างกายอาการ32ราซรากศพอะไรต่างๆเหล่านี้ ถ้าจิตใจไม่มีออเบขาีิจิตใจจะกลัวจะเกลียดจะชังจะไม่กล้าพิจารณาจะไม่กล้ามองก็จะไม่เห็นความจริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้ามีอเบขาแล้วก็สามารถที่จะดูได้อย่างสบายคำถามที่สองครับพระอาจารย์บอกว่าใจนี้ต้องไปต่อเมื่อร่างกายตายหรือสลายตัวไปตรง ตัวที่ใจไปต่อ น, นี้หมายถึงอันเดียวกับกายละเอียด iedzieć, หรือกายทิพตใช่ไหมครับหรือคนละตัวกันครับตัวเดียวกันน่ะกายละเอียดกายทิพตมุนโดงวิญญาณตัวเดียวกัน่ะเปลี่ยนชื่อท่านพอไม่มีร่างกายก็เปลี่ยนใจเป็นวิญญาณเป็นกายทิพตไปเพราะไม่มีร่างกายแต่เวลามีร่างกายกันแล้วก็จิตใจเหมือนคนที่แต่งงานกันก็มีผู้หญิงก็ยังใช้นางอยู่ พอพ อ, อยา ก, กันก็เปลี่ยนมาเป็นนางนางสาวได้ไหมได้ใช่ไหมนี่ไม่ได้แนละ้วหรือก่อนแต่งก็เป็นนางสาวพอแต่งก็เป็นนางแต่คนคนเดียวกันคนเดิมเปลี่ยนสถานภาพทันน้งนอ้คำถามต่อไปจากคุณจองโยมจะออกบวชชีควรติดเงินติดตัวไปด้วยได้ไหมเจ้าคะถ้าเราต้องเลี้ยงตัวเราเองก็ต้องมีเงิน แต่ถ้าเราไปอยู่ในสำนักที่เขาเลี้ยงดูเราได้ไม่ต้องใช้เงินเราก็อาจจะทิ้งไว้ในธนาคารก็ได้แล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันเก็บสำรองไว้เผื่อถ้าเกิดมีอุบัติเหตุมีปัญหาอะไรที่จำเป็นจะต้องใช้เงินเพราะว่าบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมียามีหมอพิเศษดูแลรักษาแต่ยาเก็บไว้สำหรับใช้เลี้ยงดูกิเลสก็แล้วกันยาเก็บไว้เพื่อที่จะ อยาไปเที่ยวที่นู้นที่นี่ก็จะได้มีเงินจ่ายค่าตั๋วเรือบินเมื่อะไรอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ควรใช้เงินแบบนี้เก็บไว้สำรองใช้เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่ในยามในยามวิกฤตในยามที่จําเป็นจะต้องใช้นอกนั้นก็ให้เราใช้ความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดอยู่ที่สำนักเขามีอะไรให้เรากินก็กินแบบนั้นมีอะไรให้เขาอยู่ก็อยู่แบบนั้น อย่าไปปรุงแต่งอย่าไปเสริมไปพัฒนาบางทีก็ไปอยู่กุฏิแล้วก็ไปพัฒนาให้กลายเป็นบ้านขึ้นใหม่กุสาออกไปออกจากบ้านมาเพื่อมาอยู่วัดแล้วพอมาอยู่วัดก็มาพับปรับปรุงกุฏิให้เป็นเหมือนบ้านอีกนี่ก็อย่าไปดีกว่าก็อยู่บ้านแช้ก็หมดเรื่องใช่ไหม คำถามต่อไปจากคุณมินเวลาที่จิตเราขุนมัวถือเป็นมโนกรรมไหมครับหากเราไม่ได้ทำหรือพูดไม่ดีและเราไม่ได้ปล่อยให้ความคิดที่ไม่ดีอยู่นานครับมันมีความคิดหลายรูปแบบที่เราอาจจะเข้าไม่ถึงความคิดที่ละเอียดจิตใจขุนมัวนี่นั่งกต่จากความคิดปรุงแต่งเท่านั้นความคิดปรุงแต่งไปทางโมหะอาวิชชาถ้าคิดปรุงแต่งไปทางธรรมแล้วมันจะผ่องใสมันจะเบิกบาน หมดแล้วเหรอโอเคมีใครอยากจะถามไหมถ้าไม่มีก็จะปล่อยกลับบ้านแล้วน ะ, ะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ